สบตาแล้วรู้สึกเหมือนไฟช็อตเกิดจากอะไรถามมีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งซึ่งตอนแรกที่เรียนปอโทด้วยกันไม่รู้สึกอะไรเลยเฉยเฉยแต่เมื่อเขาตามไปไหว้พระที่วัดระฆังด้วยขณะที่รอเรือข้ามฟากเราหันหลังให้เขาแต่พอเหลียวกลับไปพบว่าเขากำลังมองมาที่เราพอดี ทันทีนั้นเหมือนมีกระแสไฟอ่อนๆหรืออะไรบางอย่างพุ่งเข้ากระทบหัวใจงงมากว่าเป็นความรู้สึกแบบไหนพยายามหาคำตอบว่าคืออะไรมีเพื่อนบางคนบอกว่าเป็นสัญญาณเตือนจากอดีตชาติอาจเคยให้สัญญากันมาจำได้ว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนตั้งแต่จำความได้รบ ก, กวนอธิบายด้วย ตอบถ้าหากเป็นสัญญาเก่าเป็นสัญญาณเตือนว่าเคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่อดีตชาติอย่างเหนียวแน่นก็น่าจะรู้สึกรู้สาตั้งแต่ตอนเจอกันแรกๆสมัยเรียนโทรแล้วครับไม่น่าจะรอเสียยตั้งนานมาจนกระทั่งต้องไปทำบุญด้วยการไปไหว้พระด้วยกันขนาดนั้นกรณีนี้ขอให้มองว่าการทำบุญร่วมกัน เป็นสิ่งที่มีฤทธิ์และให้ผลในเชิงปฏิพั์ได้ในกรณีคู่ที่ควงกันมาเป็นเพศตรงข้ามยิ่งถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีใจอยู่ก่อนก็จะเกิดความซึ้งใจเป็นสุขร่วมกันได้อย่างสูงเว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ชอบใจบุคลิกนิสัยหรือคุณสมบัติด้านลบบางอย่างของอีกฝ่ายอันนั้น ก็จะทำให้ใจไม่น้องไปในทางเดียวกันขณะทำบุญหากเขาชอบชอบคุณอยู่ก่อนแล้วได้มีโอกาสตามเคียงไปเป็นความอบอุ่นใจในวันไหว้พระก็ไม่น่าแปลกใจที่กระแสในตาเขาจะประจุเต็มอยู่ด้วยไฟปฏิพัทธ์แถมมีกำลังสนับสนุนอยู่ด้วยพลังบุญร่วมกันใจคุณพอได้รับแรงประทะจากอะไรอย่างนั้น จึงสั่นสะเทือนได้มากอย่าไปมองที่ความรู้สึกหวามแบบวูบวาบอะไรพันนั้นเลยครับพิจารณาจากเหตุปัจจัยรอบด้านดีกว่าถ้าระยะยาวเราไปกับเขาได้ดีชวนไปทาบุญด้วยกันกี่ทีก็มีความสุขตลอดอย่างนั้นคงไม่มีเหตุผลอะไรต้องปฏิเสธแต่หากมีแค่วูบเดียวที่รู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็ ช่างใจให้จงหนักเธอคิดเสซะว่าผีโดนใจก็ได้วิบากดำของตัวเองลวงจิตก็ได้อย่าไปให้ความสำคัญกับมันมาก